บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปวัตถุประสงค์ในการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงม้าสติปัฏฐานในสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยการตั้งสติขนาดใหญ่ ซึงได้แสดงมาแล้วโดยลำดับนั้นโดยจุดมุ่งหมายก็คือต้องการที่จะแก้สิ่งที่เรียกว่าจริตของบุคคลซึ่งแตกต่างกันแต่ว่าจริตในที่นี้ท่านเน้นไปเพียงสองจริตเท่านั้นคือตัณหาจริตได้แก่จิตที่หนักไปด้วยอำนาจของตัณหา อีกความดิ้นรนทะเยอะทะยานยากในอารม์ทั้งหลายจนกลายเป็นจิตที่พร่องหรือไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มอย่างที่ท่านแสดงลักษณะจิตของสัตว์โลกไว้ว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของตัณหาลักษณะของตัณหานั้นก็มีหยาบกรางละเอียด อยู่ในตัวของมันเองรูปการขัดเกลาจิตใจที่ประกอบด้วยตัณหาแล้วก็เหมือนกับการนําไม้มาใช้สอยในฐานะใดฐา น, นหนึ่งเจ <c oughs> นต้องการจะทำเป็นเฟอร์นิเจอร์เครื่องไม้เครื่องมือที่จะใช้ไปเพื่อทำเฟอร์นิเจอร์ก็แตกต่างตามกัน ต, า ง, ตางขั้นตอน แต่ไม้เป็นทรงอยู่ก่อนเครื่อไม้เครื่องมือก็อยู่ในรูปหนึ่งไม้เป็นกระดานก็จะอยู่อีกรูปหนึ่งไม้ที่ใส่กบอะไรเรียบร้อยแล้วเครื่องไม้เครื่องมือก็ใช้ไปอีกรูปหนึ่งแต่ว่าโดยจุดมุ่งหมายแล้วเครื่องมือเหล่านั้นที่จริงก็เกื้อกูลกันเป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนกันในช่วงหนึ่งก็ขาดเขาไม่ได้ จ่ต้องยิงอาศัยเขาจุแต่ช่วงหนึ่งเมื่อสภาพของไม้เปลี่ยนแปลงไปเราใช้เครื่องเครื่องมือเช่นนั้นอีกก็ไม่ได้เพราจะเกิดเป็นปนัญหาขึ้นมาจิตใจของบุคคลที่ประกอบด้วยตัหาจริตที่เรียกว่าอยากจะมีลักษณะไขวยคว้าปราถนาสิ่งที่เป็นรูปธรรม ซึ่งบุคคลจะต้องมองไปสิ่งในสิ่งที่เป็นรูปธรรมพราะมันมีความหยาบกลางละเอียดอยู่ด้วยถ้าจะนาถ้าตหาจะดิตกกล้าคือมีกำลังมากซึงบางครั้งท่านใช้คำให้เราเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางจิตที่สายไปคือแล่นไปด้วยแรงก็ตัะหาว่าตัะหาวิจริต คือจิตมั น, เ ล, นเล่นไปด้วยตัณหาอยากได้นั่นอยากได้นี้อยากได้นนทนอยากได้จนไม่รู้จะอยากเอาไปทำไมบางทีก็ จ, จะมีการกว้านซื้อที่ดินไว้ในที่ต่งตางๆจนถึงก็ขยายออกไปเป็นบ้านเป็นเมืองอย่างตัวอย่างบุคคลที่แสดงถึงตัณหาบิจิต คือการเล่นปลายของตัสนาที่เป็นรู ป, ปรธรรมที่ได้ที่ได้เล่าถึงพระเจ้ามันธาตุราชมีความกระหายอยากได้แผ่นดินที่ครอบครองจนถึงก็ต้องญาติราัพไปรบราข้าวฝันบ้านเมืองื่นยึดครองแผ่นดินเอาไว้จนถึงครอบครองสุมภูตวัววบได้ แต่ท่านรู้สึกว่ามันน้อยไปมันเล็กไปจดีในที่สุดต้องขอครอบครองสวรรค์ชั้นดาวดึงไปได้อยุทิพย์เข้าอยู่ในดาวดึงเป็นเวลานานโลกมนุษย์ได้ผ่านไปมากแล้วก็ยังไม่รู้จักเต็มจากอิน่นะจิ๊บแต่ในสุดก็กลับมาสู่โลกมนุษย์ซึ่งหมดยุคสมัยราชวงศ์ของท่านไปแล้ว แต่ความปรารถนาของท่านก็ยังไม่เต็มนี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงตัณหาที่แล่นไปคือสายไปสู่พบน้อยพบใจปรารถนารู ป, ปรวัตถุต่างๆส่วนมากแล้วจะใหญ่และมีจำนวนมากแต่บางอย่างมันก็มีลักษณะของตัณหาเหมือนกัน เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นจะมีความจํากัดตรงคือมุ่งมา่นปรารถนาสิ่งที่เป็นรูปวัตถุแต่ว่ารู้จักความเหมาะความควรหรือความจําเป็นความอยากได้ก็สามารถควบคุมไว้ได้ในบางจุดตือพวกหนึ่งนั้นแม้จะยากจะอยากได้จะติด ในสิ่งที่เป็นรูปวัตถุแต่สิ่งที่เรากำหนดหมายอยากได้พอใจจะมีความประนีตขึ้นเราจะมองได้เหตุผลสติปัญญาเพิ่มขึ้นเกออะไรที่เห็นว่าอยากได้ไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่อยากได้สิ่งนั้นใช่ปังหรือแม้สิ่งที่ถือครองครอบครองอยู่แล้ว เห็นว่าสามารถใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้มากกว่าก็แปรสภาพสิ่งนั้นโดยการบริจาคให้ทานหรือมาเป็นสาานณประโยชน์เป็นต้นซึ่งถามว่ายังมีตันหาอยู่ไปก็ตอบว่ามีตันหาอยู่เยงแต่ว่าตันหาได้ถูกควบคุมทิศทางการแล่นไปให้อยู่ในรูปของการสร้างสรรค์ตกแต่งวิถีชีวิตของตนเอง ภพชาติของตนเองสภาพจิตของตนเองให้มีความประณีตขึ้นการที่ตัณหาเปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้ได้ก็เพราะเพราะมีสิ่งหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังแต่นั้นเวลาแสดงจะแสดงควบกันไปท่านเรียกว่าทั้งเรียกว่าตัณหาจะดิบกร้าปัญญาน้อยซึ่งเป็นการเี่เห็นถึง การขาดสัดส่วนที่สมดุลกันระหว่างกุศลกับกุศลถ้าตัณหาจดิตจะเกิดขึ้นกล้าปัญญาก็ต้องน้อยเป็นธรรมดาในช่วงนี้จะควบคุมตัวเองไม่ได้ควบคุมทิศทางงการแสวงหาไม่ได้และแม้แต่สิ่งที่เราอยากได้ก็จะควบคุมไม่ได้ ก็จะออกมาในรูปของการเบียดเบียนประทุษร้ายล้างพรางกันด้วยวิธีการต่างเมื่อเราสาบลึกไปถึงเบื้องหลังก็จะเห็นว่าตัณหานั้นมากปัญญามีกาลังน้อยคุมไม่อยู่จิตก็แล่นสายไปคอยคว้าปรารถนาจนขาดการควบคุมบังคับบัญชาในระดับที่สองที่ว่า สามารถควบคุมได้ในบางจุดนั้นซึ่งมองกลับอีกด้านหนึ่งแสดงว่าปัญญามีกำลังเพิ่มขึ้นแต่ก็คุมไม่ได้ตลอดแจะคุมได้ในบางจุดต่บางจุดควกคุมไม่ได้พอมาถึงตันหาที่มันประนีตขึ้นแสดงว่าปัญญาอยู่ในจุดที่คุ้มครองใจได้แต่ก็มีกำลังไม่มากพอ ที่จะเดินไป ส, สู่จุดของการถ่ายถอนอคลอนขลายความกำหนัดความยึดจิตความคลอยคว้าในสิ่งต่างๆซึ่งก้อนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายจะเห็นว่ากระแสของตันหาที่ไหลท่วมทับใจของบุคคล น, นั้นประสง์แสดงไว้ในขั้นตอนต่างๆขั้นแรกที่ถือว่ารุนแรง นันเรียกว่าเป็นอาการของกา ร, ราคะคือความใคร่จะเกิดขึ้นด้วยราคะคือความกำหนัดจะขาดการควบคุมจิตใจตัวเองสิ่งที่เราอยากได้ก็ดีหรือสภาพจิตที่อยากได้ก็ดีเป็นสิ่งที่มีกำลังมากปัญญามีกำลังน้อยก็คุมไว้ไม่ได้ ออกมาในรูปของอายากับนงินตัดอีชั้นหนึ่งท่านเรียกว่าราคัดหรือบางทีก็เรียกตันหาเฉยๆซึ่งก็หมายความว่าในบางระดับเราก็พอคุมกันได้แต่ความอยากตอนนั้นแกจะประนีตขึ้นไปอย่างเช่นที่ทรงเรียงไว้ในสังโยชนสิประกาศ ที่พระยาบุคคลตนละได้พระโสะดาบันกับพระสะกทาคามีนั้นที่จริงก็ยังมีการมราคาคือความกำหนัดในสิ่งที่ตนใคร่คือทั้งที่เป็นวัตถุและส่วนที่เป็นนามธรรมแต่เพราะว่าถึงพระนาคามีเข้า กระจัดความรู้สึกอยากได้แม้ในสิ่งที่เป็นนามนธรรมแต่ว่านามนธรรมบางอย่างถ้าก็ยังยึดจังติดอยู่เช่นติดความสุขอยู่ในความสงบติดความสุขอยู่ในสมาธิที่ก็ใช้กับปฏิจจานหรือหลงฌานหรือเพลิดเพลิน อ, อ, อยู่ในฌานนั้นเองจะถามวป็นอาการของตัณหาไหมก็ยังเป็นอาการของตัณหาอยู่นั่นเอง ปัญญาก็แก่กล้าขึ้นระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงกับไปคัจัดได้หมดสิ้นอาจจะปล่อยสิ่งหนึ่งแต่ก็ไปยึดอีกสิ่งหนึ่งแล้วต่อมาก็ปล่อยอีกสิ่งนั้นและจะไปยึดอีกสิ่งหนึ่งจนถึงเป็นพระขันที่สามารถละแม้แต่ความพอใจติดใจในสุขเวทนาต่างๆ ถึงว่าการตามความเป็นจริงระดับสามัญชนก็เป็นสิ่งที่น่าใคล้น่าปรารถนาน่าพอใจหรือเป็นบันไดธรรมะที่ต้องพยายามก้าวไปสัมผัสแต่พอถึงท่านที่จะบรรลุอรหันต์เป็นพระอรหันต์ต้อตัดสิ่งเหล่านั้นออกไปด้วยเพราะอะไรเพราะว่าธรรมะปฏิบัตินั้นส่งอุปมาเหมือนกับแพหรือยานภาะหรือเ ร, อเรือที่เราอาศัยข้ามัาก ถึงจุดหนึ่งเราต้องอาศัยถึงจุดหนึ่งเราต้องทิ้งไปอย่างที่ยกตัวอย่างไว้ในตอนต้นที่ว่าการเอาไม้มาทำเฟอร์นิเจอร์นั้นในตอนแรกอาจจะใช้ขวานใหญ่หรือใช้เลื่อยวงเดือนใหญ่ๆเราก็ใช้ได้ในตอนนั้นไม่มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เครื่องมือเหล่านั้น เครื่องมือเหล่านั้นขาดไม่ได้ในตอนนั้นแต่พอเป็นแผ่นกระดานขึ้นมาแล้วหรือใสายกบแล้วเราจะเอาเครื่องมือเหล่านั้นมาใช้อีกมันก็ไม่ได้เพราะสถานะของสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปการฝึก จ, จิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเครื่องมือเครื่องใช้ที่จะใช้ไปเพื่อป้าหมายในระดับหนึ่งก็ใช้เครื่องมืออย่างเดียก แต่พอถึงเป้าหมายอีกระดับหนึ่งเราก็เปลี่ยนเครื่องมือทาการศึกษาเรื่องของร่างกายในระดับของกรรมฐานจึงมุ่งที่จะถ่ายทอนความกำนัดความยึดจิตการควยคว้าปรารถนาด้วยแรงของตนาในอารมณ์เหล่านั้นนิธิชาท่านจึงมุ่งไปที่การพัฒนาปัญญาสูงขึ้น เพิ่มปูนสติให้มากขึ้นมีความเพียรพยายามมากขึ้นให้เราสังเกตว่าความเพียรที่เราจะใช้ไปนั้นใช้ทั้งสองอย่างคือใช้ทั้งในฝ่ายที่จะละตาาัณหาและฝ่ายที่จะพัฒนาคุณธรรมเพราะเมื่อเราพบความเพียรที่ทรงแสดงไว้ในที่ใดก็ตามจะใช้ไปสองกระแสนในส่วนที่เป็นบาปเป็นอกุศล ตัวยังไม่เกิดขึ้นก็ต้องใช้ความพยายามป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นส่วนบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องเปลี่ยนพยายามละถ้าเรามองจากจริตกับปัญญาที่ว่ามาแล้วความเปลี่ยนในกรณีนี้ก็ใช้ไปในการดับตัณหาหรือลดกระแสของตัณหา คือบรนเทากระแสะของตานาแต่ส่วนต้นๆทรงใช้คำว่าบรรเทาคือมักช้คำว่าบรรเทาไม่ใช้คำว่าดับเพราะเราก็สู้เขายังไม่ได้ก็เพียงแต่ลดความรุนแรงลงไปเท่านั้นเองแต่นในขณะเดียวกันส่วนใดที่เป็นกุศลความดียังไม่เกิดก็ใช้ความพยายามสร้างให้เกิดขึ้น ความดีที่เกิดขึ้นแล้วก็ใช้ความพยายามที่จะรักษาไว้แล้วก็พัฒนาต่อไปซึ่งในสองข้อนี้ก็คือพัฒนาในส่วนของปัญญานั่นเองแม้จะไม่มีการพูดถึงเรื่องสติเอาไว้แตเรื่องสติกับปัญญาดันเป็นธรรมะที่เกิดร่วมกันแศาสนับสนุนกันในที่ใดเรามีปัญญาแสดงว่าในที่นั้นก็มีสติอยู่ด้วย นที่ใดเรามีสติแสดงว่าเรามีปัญญาอยู่ด้วยเป็นธรรมะที่เกิดร่วมกันและสนับสนุนกันและจะต้องเกิดในวัตถุเดียวกันด้วยพระสติมีลักษณะเป็นตัวระลึกปัญญาเป็นตัลลญญตวรู้ถ้าระลึกแต่ไม่รู้หรือรู้โดยขาดความระลึกลก็แก้ปัญหาไม่ได้ ดังนั้นเมื่อบุคคลได้ใช้ความเพียรพยายามไปในลักษณะดังกล่าวในส่วนของตันหาก็ได้ถูกขัดกกเกลาไปถูกบรนเทาไปถูกลดลงไปในส่วนปัญญาก็จะเพิ่มขึ้นการมองวัตถุเดิมหรือสิ่งเดิมนั่นเองที่เคยมองด้วยอำนาจของตันหาก็จะเป็นการมองด้วยอำนาจของปัญญา เพราะกปัญญามีกำลังแ ก, ก่กล้าการพบเห็นสิ่งต่างๆก็จะเข้าถึงความจริงมากยิ่งขึ้นซึงก็เป็นความจริงที่แท้จริงมากยิ่งขึ้นโดยลําดับข้อนี้ลองสังเกตว่าแต่ว่าจิตมีความมักมีความอยากได้อยากได้มากๆในตอนนั้นจะขาดสติ ขาดสัมพชัญญาและขาดการควบคุมแต่พอปัญญาแก่บังเกิดขึ้นมากแม้ความอยากบังเกิดขึ้นก็จะเป็นความอยากยังมีเขดมีผลจะควบคุมตัวเองไว้ได้ในระดับใดระดับหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของปัญญาโดยการมองในสิ่งเดียวกันนั่นเองก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ก็ใ น, นเราอาจจะมองจากใครก็ได้ตัวอย่างพระยาบุคคล น, นั้นคือตัวอย่างของธรรมะที่เป็นรูปธปรรมแล้วมีเจตนามีการกระทามีผลที่เกิดขึ้นจากการกระทาแล้วอย่างตัวอย่างการมองทรัพสมบัติที่จริงทรัพย์สมบัติก็คือสิ่งที่เป็นรูปธปรรมอย่างหนึ่ง ในขณะที่คนเป็นนันมากหรือว่าคนคนเดียวกันนั่นเองแต่ช่วงที่สติปัญญาท่านยังไม่ได้ขึ้นสูงเต็มที่ท่านใชอีกอย่างหนึ่งว่าญาณที่ไม่แก่รอดคือญาณยังไม่แก่กล้านนัถ้าก็มองไปในรูปอีกรูปหนึ่งมีการไ ข, ขว้คว้ามีการยืดยืดจิตมีการสแสวงหา ที่ความเดือดร้อนอยู่ในสิ่งเหล่านั้นแต่พราะกำลังของาญาณปัญญาหรือบารมีแ ก, กรกักขึ้นก็อาศัยสิ่งนั้นนั่นเองแต่ว่าแทนที่จะมองโดยตาหามันก็มองโดยปัญญาจะเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นจนสามารถ สละออกมาในรูปที่เป็นการสงเคราะห์ในรูปที่เป็นทานในรูปของความอึอ้อั้วเปื่อแผ่ในรูปของการมาเป็นกุศลสาธารณะด้วยไปจนถึงกระสลับออกไปด้วยประกาศทั้งพวกซึ่งก็มีตัวอย่างบุคคลให้พบเห็นกันอยู่เรื่องราวของท่านเหล่านี้ก็ได้จดจารึกเอาไว้แต่ก็เป็นธรรมะที่เป็นรูปธรมรมดังกล่าว คาคนจึงไม่ค่อยมองว่านั้นที่จริงแล้วก็คืออาการของธรรมะอย่างเช่นตัวอย่างความสนุกสนานเพลิดเพลิอนอยู่ในอารมณ์โลกจนตัวเองก็ควบคุมตัวเองไว้ไม่ได้บางเรื่องเราดูแล้วไม่น่าเชื่อแต่ท่านก็นยึดติดอยู่ได้พระเจ้าได้รับสั่งเล่าถึงรงเองโดยซ้ำไป บางพบบางชาตินั้นดูลแล้วก็น่าสงสารในชาติที่ทรงเป็นกุลธานบัณฑิตมีฐานะยากจนทำไร่เข้าฟ่างลูกเดือยเห็นว่าชีวิตนั้นมีแต่ความทุกข์ก็สละสิ่งเหล่านั้นออกบุด แต่ในขณะเดียวกันก็เก็บพันุ์ข้าว้างคําลูกเดือยเอาไว้เพื่อทําพันุในโอกาสต่อไปวันบวชอยู่ระยะหนึ่งก็ศึกมาทํานาข้าว้างลูกเด อ, อยอีกเที่ยวไปเที่ยวมาอย่างนี้บวชบวชสึกสึกถึงเจ็ดครั้งด้วยกันนี่แสดงว่าตันหาที่ทใช้กำว่าตันหาวิจริตคือตันหาเป็นตัวนําให้เที่ยวไป ปัญญาเป็นตัวผลักดันให้กลับเข้าไปบวชแต่ว่าตันหาก็ดึงออกมามันมีอาการที่ชักขยเยื่อกันในช่วงหนึ่งปัญญามี็นกำลังมากก็ผลักเข้าไปบวชหาความสงบจะได้ตันหาก็รอเวลากำลังเพิ่มเติมขึ้นมันก็มีกำลังแกก็ผลักออกมาจากอาสมของฤาษีมาทำไร่เข้าฟ้างลูกเดือยกันอยู่ การชักกระเยอะอย่างนี้พึงสังเกตว่าบางทีมันก็ชักกระเยอะในขณะนั้นคือสัดส่วนของกุศลกักกกลบอกุศลแกมีกําลังพอฟัดพอเวียงกันเช่นในขณะฟังธรรมะระหว่างความสนใจความตั้งใจกับความพุ่งสร้าง น, นั้นบางทีก็ชักกระเยอะกันเพราะความพุ่งสร้างแกมีกําลังแก่ดึงจิตออกไปไปที่ไหนก็ไม่รู้ แต่ความสนใจความตั้งใจก็มีกําลังแกก็ดึงกลับมาบางทีกว่าจะจบคราวหนึ่งก็ชักกเยาะกันอยู่ตั้งนานข้อความต่างๆที่ฟังก็ไม่คยย่อยจะประตริดประต่อพอไปในใจมีการต่อสู้กับเคี้ยวกันอยู่แต่ถ้าขวายได้ขวายหนึ่งมีกําลังมากจะขวายพุง่งซัไม่กำลังมากก็ดึงหายไปได้ก็จบแล้วก็กําหนดเรื่องราวที่ ฟังไม่ได้เพราะจริงๆไม่ได้ฟังนั้งวังด้วยหูแต่ก็ไม่ได้วังด้วยใจบางทีเราฟังด้วยใจด้วยด้วยหูด้วยแล้วเข้าใจตลอดเนื้อความของสิ่งดดนั้นแล้วก็น้อมเข้ามาดูทิตตัวเองได้แต่วันหนึ่งเมื่อปัญญาทั้งแก่กล้าขึ้นท่านก็มันคิดว่าไอ้เข้าฟัง่งลูกเดือยกับจอบเขี้ยนอันหนึ่งสามอย่าง มันเป็นตัวดึงท่านออกมาจากอาสมหรือสีมาตั้งเจ็ดครั้งแล้ถ้าขืนสิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่อีกก็คงดึงท่านออกมาอ อ, อ, ออกมาอีกเป็นครั้งที่8ครั้งที่เกให้ลองสังเกตว่าเข้าฟางลูกเดอยกับจอบเชี่ยนนั้นได้ถูกกำหนดว่าเป็นสมบัติของเราเป็นสิ่งที่น่าคลายน่าปรารถนาน่าพอใจน่าพวงใหญ่ จึงผลักท่านออกมาจากอาสมหรือศีได้เรืๆแต่พอปัญญามีกำลังแก่กล้าขึ้นท่านก็มองเข้าฟางลูกเดือยกระจบเขีย่อนสิ่งเดิมนั่นเองแต่มองใหม่ว่าเป็นตัวสร้างปัญหาให้แก่ท่านทำให้ท่านหาความสงบจริงๆไม่ได้เสร็จแล้วท่านก็ไปเอาสิ่งโน้นมาปลูกรวมกันแล้วก็ไปยืนอยูฝั่งแม่น้ำคงคา ก็หมุนไปเหนือศีรษะหลายเจี่ยวแล้วก็ขว้างไปแล้วก็นั่งหลับตาการที่นั่งหลับตานั้นแสดงให้เห็นว่ากุศลนัตธรรมก็มีกําลังจริงแต่ไม่มากพอต้องหลับตาเอาไว้เพื่อไม่รู้ที่ตกของจอบเขียนลูกเดือยและเข้าขว้างพอาะจะรู้ที่ตกวันหลังมาักจะซีบใจจะต้องดึงท่านสืบกันไปอีกนี่ เหล่านี้ล้วนแล้วเป็นอุบายเยวิธีที่ปัญญาเกิดขึ้นมีการชีน้นำให้จิตใจของท่านตัดสินใจกระทำไปในลักษณะนั้นต่อจากนั้นท่านก็สามารถบำเผินเพียนจนบรรลุฌานมีความสงบอยู่ในฌานได้ตัวอย่างเหล่านี้เป็นการชี้เห็นถึงสภาพจิตที่ถูกกำลังของตัณหาผลักไสไป กำลังของปัญญามีกําลังเหมือนกันแต่ไม่พอ ก, ก็เกิดช่วงหนึ่งก็ชักก็เยื่อกันอยู่แต่พอช่วงหนึ่งพอปัญญาแกมีกําลังมากขึ้นแต่กำํำราบอย่างน้อยก็ตันหาไว้ในขณะนั้นแต่เพึงสังเกตว่จริงๆแล้วกำํำราบไม่ได้บั้นคงอะไรเท่าไหร่เพราะ น, นต้องเอาอย่างอื่นเข้ามาช่วยอาการหลับตาไม่ยอมดูสถานที่ก็ามาช่วยเพื่อ แม่สามารถไปกำหนดจุดที่ตกของสิ่งเหล่านั้นได้ปัญญาที่มีกำลังมากขึ้นก็จะช่วยวินิจฉไยสอดส่องสิ่งเหล่านั้นให้เข้าถึงความเป็นจริงเข้าไปโดยดําดับพันปึงสังเกตว่าพอมาถึงระดับของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ทรงแสดงสั่งสอนด้ว้นั้นก็อมองเจาะลึกไปอีกระดับหนึ่ง คือแทนที่จะอยู่เฉพาะจุดของการสละการบริจาค ก, การสงเคราะห์นุเคราะห์ในรูปของทานแต่มุ่งที่จะถ่ายถอนความรู้สึกรักชังในอารมณ์ทั้งหลายจนไม่มีทั้งสองอย่างคือไม่มีทั้งความรักความชังในอารมณ์ต่อเนื่องเอาจิงรักมันก็เป็นอาการของการมาตฐานภาะวะตานาชังมันก็เป็นอาการของวิภวะตานาจิตมันก็แหวง ไปได้แรงก็ตัญหาในตัวใดตัวหนึ่งถึงบางครั้งบางคราวสังเกตว่าเราไม่พอใจเราไม่ต้องการทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องการเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือฐานะนั้นฐานะนีน้ถ้าลองวิเคราะห์ดูใจให้ลึกซึ้งลงไปบางการณีไม่ใช่เรื่องของความรู้แจ้งเห็นจริงอะไร แท้แ ท, แท้จริงแล้วเป็นเรื่องของวิภวะตัณหาคือความไม่พอใจไม่ยินดีในสถานะนั้นเท่านั้นเองเลยก็ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นแล้วเพื่อจะปลุกปลอบตัวเองหรือจะเพื่อหลอกคนอื่นด้วยก็แสดงอาการใกล้ๆไม่ยินดียินรายในเรื่องอ น, นั้นแต่ถ้าหากว่า เป็นอาการของปัญญาจริงๆแล้วจะต้องไม่ไขว้คว้าสิ่งอื่นคือวางสิ่งนั้นแล้วจะต้องไม่คว้าสิ่งอื่นนั่นคือลักษณะของจิตที่ได้รับผลซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริงๆอย่างที่รู้ย่าทรงแสดงออกไปว่าขันตั้งหลายนั้นเป็นภาระที่ตัะแต่บุคคลก็มางแบกขันตั้งห้าเอาไว้ การปล่อยวางขันตั้งหากจะได้ก็จะเป็นความสุขแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องไม่ไปคว้าอย่างองื่นจะไม่ต้องไปคว้าขันอย่างองื่นขึ้นมาอีกจึงจะได้ความสุขจริงๆพรางการจะทำได้อย่างนี้แสดงว่ากำลังของปัญญาต้องสูงสูงจนสลายตัณหา และวิเคราะห์ดูจิตของตนในขณะนั้นนั้นได้เพราะการที่จิตเป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรให้เราสังเกตระบางครั้งการสงบกิเลสนั้นมันกันสงบด้วยมานะแต่ในชั้นสามัญชนทั่วไปเราก็ใช้กันเช่นความคิดที่ว่าเหยาพิมพ์เสนไปแรกกับเกลือเหยาก็ทองไปละกับกระเบื้องไปต้น จริงๆว่าเป็นอาการของมานะในชั้นโลกเราก็ใช้คือเอามานะไปข่มกิเลสเอาข่มโทสะแต่ว่าธรรมะปฏิบัติระดับนี้คือต้องการเอาธรรมะไปสลายไม่ใช่เอากิเลสไปกดไปกด ก, กิเลสแต่ว่าธรรมะไปเป็นตัวสลายกิเลสเพราะนั้นธรรมะยิงต้องมีกํำลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวนําที่มีความสําคัญก็คือสติสัมปชัญญะในะครับ แล้วพยามที่จะใช้สติสมัญญาความเคียนนั่นเองเจาะลึกแลเข้าถึงความจริงโดยลําดับเพื่อลดความรุนแรงของตัณหาและพัฒนาปัญญาขึ้นไปจนถึงปัญญานั้นอยู่ในจุดที่คุ้มครองใจเป็นใจที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นใจของผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานอย่างแท้จริงต่อตนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทําความสงบเจอกต่อไป